เดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยคือเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งก็ถือโอกาสกันมาตั้งนานแล้วนะคะที่เมื่อทรงเป็นแม่แห่งชาติเนี่ยก็เลยถือโอกาสที่จะให้คนไทยทุกคนได้ให้ความสำคัญกับคนที่เป็นแม่ทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยด้วยเดนเองดูหนังนะคะแล้วก็ได้เห็นหนังฝรั่งเนี่ย เขาก็มีวิธีที่จะบอกกับสังคมว่าคนเป็นแม่เนี่ยมีความสําคัญแล้วก็ลูกเนี่ยควรจะให้ความสําคัญท่านบ้างแล้วก็มานึกถึงที่เพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าทุกวันเสาร์ตอนนี้บ้านท่านเป็นบ้านที่มีฐานะนะครับเพื่อนคนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับลอจิสติกขนส่งต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่าจะมีผู้สูงอายุมารับประทานอาหารที่ท่านตั้งใจทําเลี้ยงบอกว่าพวกนี้รวยๆทั้งนั้นเลยนะลูกก็ดีๆทั้ทงนั้นแต่เหงา เพราะว่าลูกไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้กับคุณแม่นะคะเราก็เลยอยากจะมาพูดกันที่ว่าดิฉันเองเนี่ยโชคดีช่วงนี้ว่างงานก็ได้ดูแลคุณแม่มากขึ้นแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพอดูแลท่านแล้วดีนะนะคะแล้วพอไปดูหนังที่บอกเนี่ยนะคะชื่อเรื่องเอ่อ Our House เนี่ยก็เลยอยากจะมานำมาส ก, การกราบเรียนท่านว่าครั้งพู้ถกการเนี่ย องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ทรงได้พูดถึงเรื่องของการที่คนเราควรจะกระตันอยู่กับแม่หรือว่าได้ทรงทำเป็นตัวอย่างอย่างไรบ้างที่พอจะเป็นแนวทางให้กับคนไทยอะค่ะอ๋อก็เรื่องเกี่ยวกับแม่หรือมารดาของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอยู่มากพอสมควรแม <c oughs> นะ้แต่พระองค์เองก็ยังทาเป็น ตัวอย่างในหลายกรณีนะและเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ <c oughs> ท่านว่าจะเป็นเหตุให้มีการทดแทนบุญคุณกันหมดเนี่ยแลนะก็คือการให้ธรรมะจนท่านเนี่ยได้มารู้ถึงความเป็นอริยบุคคลอย่างเนี่ย<ม>นะแต่ถ้าเรายังไม่สามารถให้ธรรมะท่านได้เนี่ยการทดแทนบุญคุณเนี่ยผู้เจ้าบอกเรียกว่าทดแทนบุญคุณกันไม่หมดเลยเรื่องของบิดามารดาเนี่ยนะตัวผู้เจ้าเองเนี่ยก็ อย่างเพียรพยายามที่จะไปให้ธรรมะกับมารดาของท่านถึงแม้มารดาของท่านจะสิ้นชีวิตไปแล้วนะท่านก็พยายามใช้ความสามารถนะในด้านญาณอย่างรู้ของท่านเนี่ยตรวจดูว่ามารดาของท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็ขึ้นไปให้ธรรมะจนมารดาของท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมนะหรืออย่างของพระสารีบุตรน ะ, ะซึ่ง แม่ของท่านเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐนะิบอกสอนอะไรเท่าไรก็ไม่สนใจไม่ฟังนะจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ภาษารีบุตรเนี่ยจะปรินิพานจะตายละภาษารีบุตรก็รู้ว่าตอนนี้ท่านจะปรินิพานละจะขอใช้เวลาสุดท้ายเนี่ย โปรดมดารได้สักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านก็กลับไปที่บ้านแม่ของท่านนะในขณะที่ที่กลับไปเนี่ยนะพวกเทวดาพวกกรมเนี่ยก็ห้อมล้อมแว่ล้อ ม, ม, อมพระสารีบุตรนะอันนี้แม่เห็นก็รู้สึกทึ่งแล้วก็เกิดศรัทธาในตัวลูกขึ้นมาว่าเอ๊ะลูกเราเนี่ยเก่งมีความสามารถนะเมื่อพระสารีบุตรเห็นว่ า, าแม่ของท่านเนี่ย เกิดสถานในตัวท่านแล้วท่านก็เลยให้ธรรมะกับแม่ท่านนะแม่ท่านก็เริ่มรับฟังทั้งๆทีทท่ไม่เคยสนใจไม่เคยรับฟังมาตลอดนะจากนั้นเนี่ยเมื่อฟังธรรมะแล้วแม่ก็ได้เข้าใจในอนธรรมจกระทั่งได้เป็นอริยบุคคลนะพระสารีบุตรรู้แล้วก็เลยพอใจละนะถือว่าได้ทดแทนบุญคุณของบรรดาตนเองเนี่ยใช่สําเร็จละ ก็กลับก็ไปในห้องของตัวเองแล้วก็พรินิพนธ์ในห้องคะอันนี้หมายถึงในส่วนของพระพุทธองค์กับสาวกองค์สำคัญนะคคือพระสารีบุตรที่บอกว่าให้ธรรมะเป็นการทดแทนบุญคุณที่ดีที่สุดทีนี้ถ้าอย่างกับพวกเราเป็นคนธรรมดาเหรอคะท่านก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พระอย่างนี้ค่ะเราจะทดแทนบุญคุณท่านด้วยการให้ธรรมะด้วยเหรอคะก็สามารถให้ได้ก็คือเอา ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบอกสอนนะบิดามารดาของเรานะ <c oughs> อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเอ่อเราอย่าไปบอกว่าเป็นความเห็นของเราเองแต่เราบอกว่าอันนี้เป็นคําจากปากพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นคําที่ที่พรุทธเจ้าบอกสอนนะอย่างเนี้ยอ่อแม่ได้ยินได้ฟังก็ก็จะเกิดอ่อความรู้สึกที่ดีนะไม่ใช่ว่าเอ่อลูกมาสอนแม่นะแต่ลูกเนี่ยถ่ายทอดคําพุทธเจ้ามาบอกสอน น, นี่หมายความว่ า, อานอกเหนือจากการที่จะตอบแทนพระคุณของบุพการีในด้านอื่นๆในลักษณะ อ, อื่นแล้วใช่ ใ, ชในลักษณะอื่นนี่ไม่ได้บุญเท่ากับการให้ธรรมะกับการให้ธรรมะน ะ, ะการให้ธรรมะนี่เรียกว่าเลิ่ที่สุดทีนี้<ห>นนถ้าเกิดท่านเป็นคนมีธรรมะอยู่แล้วล่ะคะท่านเป็นคนมีธรรมะอยู่แล้วยิ่งดีใจเลยการพูดของเรากับท่านเนี่ยจะเข้ากันได้ค่ะ แต่ถ้าไม่มีธรรมะในการพูดของเรากับท่านยิ่งบางทีก็จะเข้ากันไม่ได้หรือว่าไม่สนใจสิ่งที่เราบอกไปด้วยซ้านะแล้วก็ในเรื่องของอันนี้ในในในแง่ดีนะในแง่ไม่ดีเนี่ยการที่ไปาทาร้ายมารดานะอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในอนันตริย ก, กรรมนะในลักษณะของการาทำลายชีวิตการฆ่านะก็เป็นกรรมหนะัก แต่การที่จะฆ่าแม่อันนี้นะคะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากแล้วเหมือนก็คงจะเกิดกับคนที่ก็เหลือเหลือกําลังที่จะดูแลจริงจริงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจะทําบาปกับพ่อแม่อย่างเห็นชัดชัดพอดีไปอ่านคําถามของนักศึกษาที่เขียนถามท่านอาจารย์ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีอยู่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเคยว่าแม่ผ่านมานานแล้วนะคะยังคิดมีความทุกข์ถึงวันนี้ว่าแม่เพราะแม่ตีอย่างนั้นเนี่ยบาปไหมคะ ก, ก็บาปอยู่เป็ น, ปนมิจฉาวาจาเป็นการใช่วาจาที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการใช่วาจากับผู้มีพระคุณของเรานะกไ็ไม่สมควรนะแต่เรื่องที่มันผ่านแล้วนะผ่านไปแล้วก็ให้แล้วไปนะอย่าไปพะวงถึงนะอย่าไปทําให้สิ่งเก่าๆที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเอามาเกิด เอามาทําให้เกิดปัญญาดีกว่าเอามา <c oughs> เป็นบทเรียนของเราว่าเอออนะันนั้นเราทําผิดไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะต่อไปเราจะไม่ทําอีกแล้วทาปัจจุบันให้ดีนะปฏิบัติตัวต่อพ่อแม่ให้ดีดํารงวงตระกูลเชื่อฟังในคำสอนของท่านอย่างเนี้ยนะปฏิบัติ ต, ตามในสิ่งที่ท่านบอกสอนเราในสิ่งที่ถูกต้องเป็นทราเป็นวินยัยอย่างเนี้ยนะค่ะ <c oughs> คือถ้าพูดให้ละเอียดนอกเหนือจากที่บอกว่าถ้าเป็นการฆ่าแม่เนี่ยเป็นการทําอนันตริยกรรมแล้วก็อย่างกับตัวอย่างที่ยกไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องอื่นที่ไม่ควรทำํำกับบุพการีในรายละเอียดมีอะไรบ้างแล้วถ้าทำแล้วจะส่งผลอย่างไรอะคะอ๋อก็ทั้งกายทั้งวาจานั่นแหล ะ, ะนะเราก็ไม่ควรที่จะทําไม่ดีต่อท่านการเบียดเบียนกันนะเบียดเบียนด้วยวาจาก็ดีเบียดเบียนด้วย กายก็ดีนะเบ็ดเบียนด้วยใจก็ดีถ้าสํารวมใจได้นี่ก็จะดีที่สุดแต่บางคนเนี่ยบางครั้งเราก็พบกับตัวเองเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดบางครั้งนั่เหมือนกับเวลาห ง, งุดหงิดใส่กันเนี่ยใช่ใชมนัก <c oughs> จะเป็นอย่างนั้นคือเราเรามีความผูกพันกันคนที่ผูกพันกันเนี่ยก็จะมีความคาดหวังในการและกันสูงค ไอ้เราเราเรารักกันสนิทกันขนาดนี้ทําไมไม่ทําอย่างนี้ให้ทําไมไปทําอย่างนั้นทําไมพูดไม่รู้เรื่องนะพูดกันคำสองคาก็น่าจะรู้เรื่องอะไรตออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคาดหวังในการและกันสูงทําไมไม่ทําอันนี้ให้นะเรามีบุญคุณต่อเ้านะอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะทําสิ่งนี้ให้เราแต่เขาไม่ทํามันก็จะเกิดความผิดหวังเกิดความทุกเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็จะเกิดการทะเลาะเบะแหวงกันกระทบกระทั่งตามกันมาอย่าง เคยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็มีหัวข้อของการแสดงธรรมก่อนที่จะแยกย้ายจากกันเกี่ยวกับเรื่องของการสอนให้คนรู้จักถึงความสําคัญของคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครเคยทําไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบาปหนักเลยทำอะไรก็จะไม่เจริญเนื้ฟังแล้วน่ากลัวมากเลย มีในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกสอนชัดๆเลยไหมคะว่าถ้าทําไม่ดีกับพ่อแม่แล้วเนี่ยกรรมคืออะไร uh huh. และถ้าทําดีแล้วบุญคืออะไรคะ่ะอ๋อก็ตรงนี้เป็นเป็นในเรื่องของของกรรมคือคือการกระทำอยู่แล้วนะ <c oughs> ซึ่งจะให้จะให้ผลมากทั้งในส่วนกุศลและก็อกุศลถ้าทําไม่ดีกับพ่อแม่ ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ที่หนักในฝ่ายไม่ด <Okay. S 1> นะีแล้วก็การกระทำนั้นเนี่ยจะให้ผลก่อนให้ผลลำดับแรก <Okay. S 1> นะที่เป็นในส่วนของอนันตริยกรรมแล้วถ้าเราทำกระทานในฝักฝ่ายที่เป็นกุศลเนี่ยนะ <Okay. S 1> ก็จะได้อานิสงส์มากมีผลมากนะก็จะให้ผลลำดับแรกเหมือนกัน <Okay. S 1> ผลที่กระตันยูลูกุลกับบีดามารดา <Okay. S 1> ก็จะมีแต่ความจเจริญงอกงาในชีวิต <Okay. S 1> ประสบผลสาเร็จในชีวิต พราะว่าคนที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยนะถ้าเรายัางเรียกว่าทำไม่ดีต่อต่อท่านได้เนี่ยก็เรียกว่าแย่ละคนอื่นก็จะมองเราไม่ดีไปด้วยท่านคะ่ะทีนี้มันมีปัญหาอย่างนี้อีกนะคะ บ, บางคนเนี่ยก็อาจจะเกิดมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มาพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยง ม, มาตั้งแต่ต้นทีนี้ก็เกิดความรู้สึกไม่ผูกพันไม่รู้สึกว่าท่านมีบุญคุณสักเท่าไหร่ก็ละเลย แล้วก็ไม่ไม่ใส่ใจนะคะในการที่จะตอบแทนหรือบางทีอาจจะจับจ่วงด้วยซ้ำอย่างเนี้ยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยท่านไม่ได้เลี้ยงดูเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณแค่ไหนอย่างไรก็เราจะต้องตอบแทนท่านอย่างไรก็ยังต้องคิด ว, ว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอยู่การที่ท่านไม่ได้เลี้ยงดูมันก็อยู่ที่เหตุตัดใจคงจะมีความจาเป็นที่ ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะโดยปกติพ่อแม่ทุกคนก็อยากจะเลี้ยงดูลูกคงไม่มีใครอยากจะทิ้งถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเหตุปัจจัยอันนี้ถ้าเราโตขึ้นและเราอยู่ในสถานการณ์อย่างเดียวกับพ่อแม่ในครั้งก่อนเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจแต่เป็นเพราะเราไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเมีชีวิตในลักษณะเดียวกับที่พ่อแม่เราประสบนะเราก็จะมองไม่ออก พิจารณาไม่ไม่ไม่เป็นนะว่าอา๋อทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเพราะท่านพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยก็เลยอยากจะขออนุญาตเล่าเรื่องออมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาเป็นผู้หญิง <c oughs> สวยนาตาดีเชี่ชีวิตก็ดีแต่ ง, งานมีครอบครัวมีฐานะช่วงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ปฏิเสธการที่จะให้ความสำคัญกับคุณแม่เพราะมีความรู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยสนใจเขาเลยตั้งแต่เขาเกิดมา แล้วเราก็จะคอยบอกเขาอยู่เสมอบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ถูกคิดอย่างนั้นไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาทําใจไม่ได้เวลาก็ผ่านไปเป็นสักเกือบยี่สิปีอะคะ่ะไม่เจอกันเลยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาขอนั่งคุยเลยเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่กับแม่ อ, อเขาเลิกกับสามีนะคะเขามีปัญหาชีวิตมากแล้วก็วันหนึ่งที่เขาแย่มากเนี่ยแม่ก็มาอยู่ด้วยอะไรอเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเขากลับมาบ้านเนี่ยดึกเดินแค่ไหน แม่ก็จะเตรียมน้ำสม้มให้เตรียมอาหารกุลีกุจอดูแล <c oughs> เขาคือคล้ายๆอ่อนใจเข้าอ่อนโยนตามลาดับ <c oughs> นะคะแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่ า, ารักคุณแม่มากขึ้น <c oughs> เพราะว่าตัวเองก็มีลูกแล้วไงคะแล้วก็มีชีวิตที่มีปัญหา <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตกันตามลาพังแล้วมีคุณแม่เนี่ยคอยมาช่วยดูแลตัวเอง <c oughs> แล้วก็คอยมาช่วยเลี้ยงลูกในวันที่ครอบครัว มีปัญหานะคะแล้วเขาบอกอย่างไม่น่าเชื่อ<ม>เขาเรียกัีฉันตต๋วนะคะบอกตต๋วเธอรู้ไหมชีวิตฉันเนี่ยดีขึ้นมากฉันน่ค้าขายอะไรก็ได้ก่อนลขคือเมื่อเม้ขาดูแลคุณแม่เขาดีบอก <มะ S 2> วันนี้เนี่ยเขาไม่มีสามี นะะแต่เขามีคุณแม่เนี่ยเขาบอกชีวิตเขามีความสุขแล้วเขาขอบคุณเรา <c oughs> เขาบอกขอบคุณวันนั้นนะที่เธอคอยบอกฉันทุกวัน <c oughs> ให้ฉันเนี่ย <c oughs> ให้ความสำคัญกับแม่ <c oughs> แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเองก็ไม่ได้มาพูดเพื่อจะเอาประโยชน์เข้าตัวเองว่า <c oughs> เป็นเพราะเราพูดแต่ต้อบอกว่าเพราะเขาได้พบ <c oughs> และพอเขาเชื่อแล้วเขาได้เห็นในสิ่งที่มันตอบแทนเขา <c oughs> ในยามที่เขายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เดนก็ได้แ d e p l อยดีใจเขาทุกวันนี้ก็ไม่เจอกันอีกนะคะแต่ว่านึกถึงทีไรก็ดีใจแทนเขาแล้วก็ขออนุญาตที่จะเอาเรื่องเขาเนี่ยมาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะคะว่าเนี่ยคนที่มีความรู้สึกว่าไม่เคยเลี้ยงดูเลยไม่เคยเห็นอยากว่าจะต้องให้ความสําคัญเลยแต่เมื่อวันหนึ่งได้แสดงความกตัญญูชีวิตเขาก็ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อไม่ต้องไปสะดอเคราะห์ที่ไหนค่ะก็ คงจะต้องบอกว่างั้นวันแม่งนี้ให้ลูกๆตั้งใจทําอะไรดีละคะอ๋อก็กลับไปหาแม่น ะ, ะพูดคุยกับแม่น ะ, ะมีอะไรก็<ม>ก็ให้สิ่งที่ดีต่อกันน ะ, ะให้ความใกล้ชิดกันอยู่ด้วยกันเด็เนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือนยามที่ไม่มีนี่ให้เป็นนา ม, มาทำก็ได้นะคะ <c oughs> ให้คุณแม่มีความรู้สึกว่าเรามีความสํานึกความรักในท่าน <c oughs> อย่างเนี้ยนะคะท <c oughs> ี่ต <c oughs> ้คิดว่า ค่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้คุณแม่ก็มีความสุขแล้วและความสุขของท่านเนี่ยมันจะสะท้อนกลายเป็นสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นกับตัวของเราที่เป็นลูกนะคะก็ฝากไว้กับคุณลูกทุกๆคนจากรายการสันสนีสนทนาช่วงเวลาถามโลกตอบธรรมนี้จากท่านอาจารย์คึกฤทิ์โสธิพโลนะคะน้ัมการขอบคุ ณ, ค, ณค่ะเจริญกราบตอบคําถามทางโลกด้วยธรรมะจากพุทธวจนะโดยพระคึกฤทธิ์โสธิพโล ในการสนสนีสนทนาของเราในวันนี้นะคะก็เรียกว่าพูดถึงวันแม่เนั่นๆ เ, เลยก่อนที่จะถึงวันแม่เพราะว่ามีแรงบันดาลใจบางอย่างแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกๆ ท, ท่านนะคะได้ทาทาแล้วเราทำในสิ่งที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่เราทำให้เขาได้ดีคนเดียวนะคะตัวเราเองเราได้ด้วยแล้วยิ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ความสุขเหลือประมาณแหะคะ่ะ ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการที่ได้ไปแสดงความกระตันอยู่ ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นบุพการีเลยแหะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ในโอกาสวันแม่ที่กําลังจะมาถึงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะและสําหรับรายการของเราเดี๋ยวขอหยุดเสาร์อาทิตย์สวันนะคะส่วนท่านที่สนใจจะไปฟังธรรมะโดยตรงที่วัดนาป่าพงเสาร์อาทิตย์นี่แขกก็จะเยอะหน่อยก <c oughs> ็ <c oughs> ไปได้นะคะอยู่คลองสิบลาลูกกาหาง่ายมากๆเลยค่ะพอเห็นคลองสิบปุ๊บก็เลี้ยวเข้าถนนเรียบริมคลองเข้าไปวัดจะอยู่ทางขวามือเข้าไปสักระยะหนึ่งจะผ่านสะพาน สีแดงๆก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นทิวต้นไม้สูงๆไม่เหมือนใคระค่ะอยู่ท่ามกลางพื้นนานะคะแล้วก็แหวะไปที่นั่นเลยสำหรับวันนี้รายการของเราลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านดําเนินชีวิตในวันหยุดกันอย่างมีความสุขด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสรนสนีสนทนา